จนทุกในสารานิยธรรมทำเป็นที่ตั้งให้เป็นที่ตั้งแห่งความให้และเลื่ถึงเรียกสารานิยธรรมสาราตัวนี้เป็นตตัวตัวรอเรือไม่ใช่สาราตัวตตัวตัวรอเรีงเรียกว่าสารานิยธรรมมีหกอย่างหนึ่งเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณร ทั้งต่อหน้าในารับหลังคือช่วยขวัขวายคุทธรรของเพื่อนด้วยกายมีพยาบาลภิกษุไข้ด้วยจิตเมตตาสองเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเองทั้งต่อหน้าในรับหลังคือช่วยขวัขวายคุทธรรของเพื่อนกันด้วยวาจาเช่นกล่าวสั่งสอนเป็นต้นด้วยจิตเมตตาสามเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเอง ทั้งต่อหน้าและรอบหลังคือคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนกันข้อสแบ่งปันราบที่เกิดมาโดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนพิกษุสมามเนรไม่หวงใ้บริพภะกรามพระผู้เดียวข้อหนักษาศีลให้บริสุทธิ์เสมอ ก, กันกับเพื่อนพิษุสมามเนรอื่นไม่ทำตัวให้เป็นที่รังเกียจของผู้อื่นหมีความเห็นร่วมกันกับเพื่อนพิษุสมามเนรอื่น ไม่วิวาสกับใครๆเพราะมีความเห็นผิดกันทำฮกอย่างนี้ทํำพ่วเพื่อให้เป็นที่รักที่เคารพของผู้อื่นเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันและกันเป็นไปเพื่อความพร้อมเพียงกันและกันเป็นไปเพื่อความไม่วิวาสกันและกันพระบรมศาสดาสอนไม่มีที่แทงเลยสิ่งไหนที่ท่านองค์ท่านไม่สอนไม่มีเลยท่านรวมมาไหว้ในที่ทําหมวดหกเรียกว่าสารานิยธรรม ราตัวนี้เป็นตัวรอเรือไม่ใช่สาราที่ทำไม่ด้วยไม้สารานี้อย่าทำนี่ตัวนี้เป็นตัวนอนเนีรพวกพระเนเนพากันดื่มซะเวลาเลิกกันในต่างคนก็นต่างนี้ลำบากดื่มซะเวลามีผู้เอามาให้ถ้าไม่มีผู้เอามาให้อย่าไปขอมีผู้มาให้ก็พากันดื่มซะ ได้เย็นไหมขา้างานได้เย็นไหมชัดไหมนี่โอ้คนไม่ถึงสี่ร้อยเลยนี่ไม่ถึงสองร้อยเลยนี่ยถึงไหมนี่ยเหลือทางง้าทางเนียนเหลือสองรอยนะนี่น เ, นเ อ, อจะมีมากเท่าใดก็มีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุม ก, กันเมือกายยี่ยว่ารูปจะมีมากเท่าใดดวงหัวไทย ก็คือถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกันทั้งนั้นจะอยู่ใกล้กันขอบฟ้าหรืออยู่ใกล้กันก็าตามต่างฝ่ายต่าง ม, มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดารงอยู่ที่จิตใจอยู่ได้ชื่อว่าอยู่ใกล้กันโดยธรรมแล้วพระบรมศาสดาสามัคคีกันไปในทางดีก็ยิ่งดีสามัคคีกันไปในทางชั่ว ก็เป็นชั่วสามัคคีมันเป็นคำกลางถ้าถ้าสามัคคีไปทางปีนเกลียวพระพุทธศาสนามันก็บานหน้าทางไม่เจริญถ้าสามัคคีกันไปในทางพระพุทธศาสนามันก็บานหน้าไปทางเจริญสามัคคีมันเป็นคำกลางคำว่าธรรมก็เป็นคำกลางธรรมแปลว่าทรงอยู่มีอยู่ทรงอยู่ซึ่งกุศลก็เรียกว่าธรรม ทรงอยู่ที่อากัสรณ์เขาอยาก่าธรรมทีนี้กุศรณและอากัสรก็ทรงอยู่ที่ดวงใจของเราแต่ละท่านแต่ละคนนั่นเองไม่ใช่อยู่ในที่อื่นทําใจให้เป็นประโยชน์ก็คือทําใจให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทําใจให้เป็นหมันก็คือทําใจไม่ให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ให้มีทานมีศีลมีภาวนาให้ไกลจากพระพุทธศาสนา เรียวกว่าทำเวลาของใจให้เสื่อมเสียไปคุณอำนาจของความนึกคิดหรือใจก็คือเคารพนับถือพระพุทธศาสนามีทานวัต์มีศีลวัต์มีภ า, าวนาอยู่ไม่อันหนึ่งก็ต้องอันหนึ่งก็เจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนถึงที่สุดทุกโดยชอบถ้าห่างเหินออกจากพระพุทธศาสนาแล้ว ถาเราไมศาสานาก็ไม่รับรองและผลของกรรมก็ไม่รับรองผลของกรรมรับรองแต่ไปในทางที่ชั่วทุกทุกท่านทุกทุกคนต่างก็รักสุขรังเกียดทุกข์แต่ความสุขจะเกิดขึ้นมาก็เนื่องด้วยพระพุทธศาสานาเท่านั้นเหลือนอกนั่นก็ไม่แน่นอนเพราะมีหลายบางที พระพุทธศาสนาเจริญขึ้นจนถึงที่สุดทุกโดยชอบเหนือดังนั้นก็เจริญอยู่ในโลกีวนเวียนอยู่ไม่สามารถจะถึงโลกุตระคาสอนใดๆไม่ถึงโลกุตระหรอกมีคําสอนพระพุทธศาสนาเท่านั้นถึงโลกุตระคาสอนอื่นๆก็มีดาดืนทมเถน แต่ว่าสอนผลเพลกันเวียนไหวตายเกิดในวัดตาสงสารเพราะเหตุใดเพราะมีวัตถุนิยมเป็นเจ้าหัวใจสราณีคัจฉามิยอมตายต่อวัตถุนิยมผู้ที่ยินดีในวัตถุนิยมแต่ก็มีขอบเขตอีกเหมือนกันจําพวกหนึ่งได้มาในทางที่ชอบอันนั้นมันเป็นทางพระพุทธศาสนาะ จำพวกหนึ่งได้มาในทางที่ไม่ชอบฉุกเอาเผากินเจอก้างก็าตามหัวมันนั่นที่นี่พวกกรุงเทพมีกี่คนอยู่นี่ยกมือขึ้นเออมีหนึ่งคนฟังออกไหมนะภาคอีสานฟังออกไหมฟังออกไหมภาคอีสาน ที่พูดอยู่เดี๋ยวนี้ฟังออกไหมฟังเข้าใจไหมเข้าใจไหมที่พูดอยู่เดี๋ยวนี้เออเข้าใจมีคนกรุงเทพอยู่สองสามคนดีในทางพุทธศาสนามันดีไม่ถอยหลังดีจนถึงพระสวสดาบัลชกทาคามีอนาคามีพระหรัน ดีในทางที่อื่นมันก็ดีถอยหลังแต่พระพุทธศาสนาไม่รับรองว่าดีเลยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั่นก็ไม่ดีพระพุทธศาสนาสอนสูงสอนเจต่ำนงมหาสูงสอนจนถึงปริญญาญาตะปริญญากำหนดรู้ด้วยการรู้ตีรณะนะปริญญากำหนดรู้ด้วยการพิจารณาปหานะปริญญากำหนด รู้ด้วยการละเสียนหะมายความว่ากําหนดรู้ด้วยการรู้นะหมายความว่าปาณาทิบาทเป็นข้อห้าวตีรนะณะปริญญากําหนดด้วยการพิจารณาคือพิจารณามีเหตุผลประหารปริญญากําหนดรู้ด้วยการลเสียนะละในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่น เรียกว่าปริญญาแต่พระอรหันต์เรียนจนถึงปริญญาเอกแล้วพ้นไปจากของทุกข์ทั้งพวงแล้วปริญญาตีก็คือสุปฏิภันโนปริญญาโท ก, าา ก, าาาก็คือพระอนาคามีสักทาคามีปริญญาเอกก็คือพระอรหันต์จงถึงพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ดวงใจอย่าไปถึงที่อื่นเอากิจใจของเราเป็นข่าเป็นทาตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อผูกขาดจองขาดข้อนี้เป็นของสำคัญมากพระบรมศาสด า, า, าไปเทศในที่ในก็ดีก็สอนให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเมื่ อ, อยังไม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อน มันก็ไม่สะดวกในการขวรสนพ้บุญไม่เกิดขึ้นในคิดในใจให้แ น, น่ให้หนาเพราะเป็นโลคิยะบุญอยู่โลกุตระบุญมันก็ต้องถึงว่าพืพ่อธรรมประสงค์อย่างแน่นที่สุดจิตใจ จะห้ามไม่ให้มันนึกคิดไม่ได้เมื่อมันนึกคิดไปในทางเป็นประโยชน์ในี่ยว่าพุทธศาสนาก็ปล่อยมันอย่าไปห้ามมันเมื่อมันนึกคิดไปทางอื่นมันเพิ่มราคะให้จัดขึ้นมันเพิ่มโทสะให้จัดขึ้นมันเพิ่มโมหะให้จัดขึ้นมันเพิ่มความเบียดเบียนให้จัดขึ้นอันนั้นห้าเบรกมันมีขอบเขตเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะไะตันขี้ตันเยี่ยวมัน จะไปกีดขวางมันกีดขวางทุกด้านทุกงมมาให้มันนึกมันคิดเมื่อมันนึกมันคิดไปทางดีก็ปล่อยมันสินั่นไม่ใช่จะห้ามมันถ้าห้ามมันมันก็ไม่มีปัญญาละสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ก็ให้มันนึกไปซิเหมือนโคเหมือนกระบือเราไปเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือไม่ให้มันจินยาไล่มันอยู่ตะพื้ตะพือมันก็ไม่อิ่มแลวท้องมันนั่น เมื่อมันอยู่ดีๆกินหญ้าอยู่ดีๆก็อย่าไปไล่มันฉันอดก็ดียิตใจเมื่อมันนึกไปทางกุศลผลบุญก็ส่งเสริมมันนึกถึงธานะาไม้ก็ส่งเสริมมันนึกถึงศีลละไมยก็ส่งเสริมมันนึกถึงภาวนาไมัยก็ส่งเสริมมันไม่ขีดกันเลยปล่อยให้ทำดีต้องให้ใจมีอิสร ะ, ะบ้างอะไรก็ก็ไปจะบังคับบททั้งทางขึ้นทา ง, ท ง, ทงล่องมันก็ไม่ถูก สิ่งที่ไม่ควรบังคับก็ไม่ควรบังคับสิ่งที่ควรปล่อยก็ปล่อยไปจะห้ามไม่ให้มันนึกคิดเพราะคนไม่ตายมันก็นึกคิดสิอารมณ์ที่เป็นบุญมันก็มีอยู่ฐานะอารมณ์ศีนะอารมณ์ภาวนาอารมณ์พุทธานุสติอารมณ์ธรรมานุสติอารมณ์สั้งขานุสติอารมณ์ เทวตานั้นสติอารมณ์แล้วถึงคุณบุคคลที่ทำเป็นเทวดาเช่นบุคคลพ่อแม่ผู้ที่มีคุณเป็นต้นเทวดามีสามเทวดาโดยกำเนิดก็คือเทวดาในสวงสวรรค์และอยู่ต้นไม้ภูเขาเทวดาโดยสมมติก็คือบีดามันดาปุญาตาทวดหรือท่านผู้มีคุณหรือครูบาอาจารย์ เรียกวเทวดาโดยสมุติเทวดาโดยกำเนิดก็คือเทวดาในสวงสวรรค์และได้ต่อกของเราโดยตลอดทั้งมหาสมุทรหรือนอกจักรวาลสมัตาจักรวาลีสุเทวดาโดยวิสุทธิเทพี่นี่พระโสดาบันเป็นพระโสดาชนิดหนึ่งพระสกทาคาร์มีอ่าพระ สวสดาบันก็เป็นเทวดาแค่นิดหนึ่งเทวดาในโลกุตละพระสักทาคามีก็เป็นเทวดาในโลกุตละพระอนาคามีก็เป็นเทวดาในโลกุตละพระอราหันหเป็นเทวดาในโลกุตละเช่นเชิงแล้วพระพัจเจกก็เป็นเทวดาในพรพุทธศาสนาเช่นเชิงเหมือนกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธเทวดา อันเป็นใหญ่กว่าโลกทั้งปงวงยอดของเทวดาทั้งหลายพระธรรมแต่ละอย่างละอย่างก็เหมือนกันพระธรรมที่ทําให้บุคคลถึงสุปฏิปันโนพระธรรมที่ทําให้บุคคลถึงวุชุปฏิปันโนพระธรรมที่ทําให้บุคคลถึงญายะปฏิปันโนพระธรรมที่ทําให้บุคคลถึงสามิจิปฏิปันโน พระธรรมที่ทำให้บุคคลถึงพระพัจเจกพระธรรมที่ทำให้บุคคลถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมมีตัานรับกิตใจเป็นขณะขณะขณะไปเมื่อคิดสูงธรรมก็มาเป็นคู่สูงเมื่อคิดต่ำธรรมก็มาเป็นคู่ต่ำที่นี่แบ่งธรรมออกเป็นสองโลกิยธรรมโลกุตลธรรมโลกุตลธรรมแบ่งออกเป็นสี่ สุติปโนโช่วยยายะสามีแบ่งออกเป็นหกอีกพระพเจกอีกพระสมานพระพุทธเจ้าอีกแม้สติก็เหมือนกันปัญญาก็โดยในเมื่อเราไม่ไระลึกถึงธรรมธรรมมีอยู่ไหมธรรมไม่ใช่ของธรรมธรรมไม่ใช่ของธรรมก็มีอยู่ถ้าเราไม่ไระลึกถึงสังขารธรรมก็มีอยู่วิสังขารธรรมก็มีอยู่ เมื่อเรามาได้ลึกถึงก็คล้ายๆกับว่าเราไม่ปฏิบัติสิ่งทั้งหลายมีอยู่แล้วมีอยู่ก่อนแล้วไม่ใช่ใครจะเป็นผู้แต่งทำพระบระมาสารด h a ไม่ได้แต่งทำเป็นเพียงว่าว่ามารู่ทำเฉยๆถ้าทํำไม่มีอยู่ก่อนพระพระมาสารด h a r m ก็ไม่มีประตูที่จะมารู่ทำได้เหตนั้นองค์ท่านจึงเขารับธรรม ผู้ดแม่ปฏิบัติธทร ร, รรมก็มีอยู่แต่คุณค่าของผู้นั้นไม่มีเฉยๆเหมือนน้ํามไม่มีใครดื่มน้ําก็มีอยู่เหมือนร่มไม้ไม่มีใครใครเข้าไปร่มไม้ก็มีอยู่ไม่มีใครเข้าไปอาศัยเหมือนดินน้ําไฟลมไม่มีผู้นิยมนับถือเอาไปใช้ดินน้ําไฟลมก็มีอยู่อันนี้ยังเป็นของหยาบอยู่ดินน้ําไฟลมเป็นของ ธาตุฝ่ายแตกกระเจิงเป็นพระนิพพานธาตุเป็นของฝ่ายไม่แตกกระเจิงไปไหน <S <S ทำฝ่ายที่เป็นสังขารเกิดขึ้นแล้วก็แปรพวนนี้แตกสลายทั้งนั้นทำที่เป็นฝ่ายไว่สังขารก็เป็นของจริงเป็นของที่มีอยู่ไม่แตกกระเจิงไปที่ไหนได้ไม่โอนขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่โอนขึ้นอยู่กับผู้ไม่รู้เป็นจริงอยู่อย่างนั้น <S <S 1> <S 1> สังขารทำก็เหมือนกัน ทมที่ทรงไม่ซึ่งรูปเรียกว่ารูปประธรรมมีดินน้ำไฟลมเป็นต้นในสกล ก, กายของเราทมภายในอัตฉรธรรมก็มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหา ร, าหารเก่านี่จัด เป็นรูปประธรรมจัดเป็นดินจัดเป็นธาตุดินจัดเป็นรูปจัดเป็นธาตุดินจัดเป็นของแข็งดีสเสลนองเลือดเหงือ่อมันคข้นน้ำตาเปรียวมันน้ําลายน้ํา ม, มูกน้ําไขข้อนมม้ํำมูดอันนี้จัดเป็นธาตุน้ำนนไฟที่ยังกายให้อบอุน่น ไฟที่ยังกายให้ชดโฉมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยอันนี้จัดเป็นธาตุไฟลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ําผายลมก็ดีถ่ายอุจจาระถ่ายพัทวะก็ดีลมพัดขึ้นเบื้องบนลมหาลมเรลมอ้วลมไอลมจามลมทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นธาตุลม ไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโฉมให้แก่ให้ชราไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย้อยอันนี้เป็นจัดเป็นธาตุไฟทั้งสี่ธาตุนี่แหละมารวมกันเข้าเรียกว่าสัตว์ราบกกุคคลเรียกว่ารูปประธาต์เรียกว่ารูปประธรรมเรียกว่ารูปประขันเรียกว่ารูปประโลกภายใน มีหน้าที่จะแตกสลายลงไปเป็นดินเป็นน้าเป็นไฟเป็นลมทีนี่นามะธาตุกับนามะโลกกับนามะขันกับนามะเอ็นซีกับนามธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นเวทนาความสวยอารมณ์สุขทุกข์เบีขาสัญญาความจํา รูปจําเสียงจำกลิ่นจํานสดจำผ ด, ำพดทพะจําธรรมารุมสังขารความปรุงแต่งแห่งจิตวิญญาณความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเหล่านี้เรียกว่าวิญญาณขันห้าทนี่เรียกว่าขันห้าก็เรียบย่นลงมาเอกอรูปก็เป็นรูปตามเดิมคือดินน้ำไฟลงมาชนกันเป็นกายเรียกว่ารูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราเข้าเป็นนามนา ม, มาลูกนา ม, มาโลกนา ม, มาสังขาร น, นามกายนา ม, มาธรรมนา ม, มาธาตุเหล่านี้ส่งข้อกันเคาได้รูปประโลกอรูปประโลกย่นลงมาเป็นสองสิ่สงที่เป็นรูปคือดินน้ำไฟลมมีชุมกันเป็นกายเรียกว่ารูปสิ่งที่เป็นรูปเรียกว่ารูปประโลก สิ่งที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความสวยอารมณ์สุขทุกข์อกเบีขาตลอดถึงด้านจิตใจใจเรียกว่าวิญญาณอันนี้จัดเข้าเป็นนามขันนามขันกัมนามโลกกัมนามธาตุกัมนามธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันมีหน้าที่เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแลแตกสลายอยู่หาระหว่างไม่ได้ใครจะยึดถือเอาเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์ เป็นบุคคลก็ตามจะไม่ยึดถือเอาก็ตามแต่ก็มีหน้าที่เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและแตกสลายอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ลงธรร ม, มาฏอีกเสียด้วยไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้และไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้แต่ท่านผู้ปฏิบัติก็จำเป็นต้องรู้ตามเป็นจริงเพราะหวังเพื่อจะถ่ายถอนความหลงของตน ที่เคยลงมาว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพื่อจะถ่ายถอนให้กิเลสเบาบางลงเมื่อสิ่งนั้นแตกสลายลงจะไมไ่ได้เดือดร้อนมากจะได้รู้ตามเป็นจริงด้วยจะได้ปฏิบัติตามเป็นจริงด้วยจะได้ไม่สงสัยตามเป็นจริงด้วยจะได้ไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกด้วย จะไม่เสียดายมากอกเอาดินเอานา้ำเอาไฟเอาลมเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยกระดูกก็เป็นธาตุดินเนอรผงขนยกฟันก็เป็นธาตุดินดังที่ว่ามาแล้วนั่นเองจะมีมากในแตโรกธาตุจะมีมากสักเพียงไหนก็าตาม ก็มีแต่ธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมเท่านั้นเมื่อยังไม่มียังไม่เพ้นจากกิเลสในโลกจะมีอะไรมากก็าตามตก็มีแต่กิเลสเต็มโลกทั้งนั้นนั่นนั่นนักิเลสคือราคะโทสะโมหานั่นถ้าไม่พยายามละข้อนี้เป็นข้อสําคัญส่วนโลกขันนามขันท่านจัดให้รู้ตามเป็นจริงส่วนกิเลสท่านจัดไว้ให้ละให้เว้น ส่วนสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นท่านก็สอนให้รู้ตามเป็นจริงส่วนเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นท่านสอนให้เป็นฝ่ายละนะสอนให้เป็นฝ่ายทำให้แก้งในคั้นทาสนาันดานเรียกว่านิโรธกิเลสจะบรรเทาไปได้ก็เพราะพยายามเว้นราคะจะเบาบางไปได้ เพราะให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างภาวนาบ้างพิจนาอาุพระอสุพางบ้างเมื่อราคะเบาไปโทสะก็เบาไปเองทำไมมันถึงเกิดโทสะเพราะมันไม่สุปสมประสงในราคะมันก็เกิดโทสะสิทาไมมันจึงเกิดโมหะเพราะมันหลงราคะกับโทสะมันก็มีโมหะที แต่โมหะอันละเอียดมีอยู่อีกโมหะแปลว่าหลงไม่รู้จริงหลงอยู่สี่ประการสิ่งที่ไม่สวยไม่งามหลงว่าเป็นของสวยของงามคือสกุน ร, ร่างกายที่หุ้มอยู่โดยรอบนี่เองสิ่งที่ไม่เที่ยงก็สงับลงหลงว่าเป็นของเที่ยงคือสกุล ร, ร่างกายของเรานี่เองสิ่งที่เป็นทุกข์ ก็เข้าใจว่าเป็นของสุขก็คือสกลละกายสกลละใจเรานี่เองสกุลละรูปสกุลละนามเรานี่เองนี่ความหลงอันละเอียดหลงอยู่อย่างนี้ที่ความหลงอันละเอียดยังมีอะเองธนวัตศีลวัตรภาวนาวัตพุทธสมสงเพื่อจะมาต่อสู้กับความหลงเหล่านี้แหละ ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีฐานวัดศีลวัติาตภาวานาวัดรอบโกรดหลงก็ยิ่งทวีขึ้นทั้งไตโรคธาตุไตโรคธาตุจะอวดดีสักเพียงใดก็ตามถ้าไม่ยอมตัวร พ, พระพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วปนละมานในโลกทั้งหลายก็นับวันจะทวีขึ้น ทุกวันนี้น่ยค่ายก็ว่าเป็นเวลาที่เลือกเลือกบุคคลอยู่ในตัวเลือกศาสนาอยู่ในตัวท่านบอกว่ายังแต่คนสามจำพวกที่อยู่ร่มโพนั้น คือพวกที่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่สามล่มโพลื่อนอกนั้นก็ไม่แน่นอนละอนลมานมากมายไม่มีประตูแก้ผู้ที่ถือศาสนาพุทธแม้เขาจะพลาดเขาก็มีประตูแก้ไม่ถึงกับนับสิบไม่ลุกถ้าไม่ถือศาสนาพุทธแล้วถ้าพลาดลงไปแลวไม่มีประตูแก้หมดทุนที่จะแก้ ไม่มีทุนที่จะแก้มดทุนที่จะสร้างใหม่ถ้าเป็นผ้าก็เป็นผ้าฝืนเดียวไม่ได้ผัดเปลี่ยนเลยถ้าเป็นอาหารก็เป็นอาหารหม้อเดียวไม่มีที่จะไปเอาอีกมดทุนแล้วพอรู้ตัวก็สายไปสักก็บายไปสักก็ค่าไปสักค่ำคือตายเปล่า ในเมื่อเวลายังไม่สายเราก็มีชีวิตอยู่เราก็มีหน้าที่จะปฏิบัติสินธรรมเท่าที่ควรของเราแต่ละท่านละท่านได้ไม่อันหนึ่งก็ต้องอันหนึ่งอาจรรพต่อความดีของตนพ ร, พ, พระพุทธศาสนาสอนให้อาถรรพต่อความดีของตนสอนให้ใจถึงในทางความดีของตน พยามารกิเลสมันสอนให้อาฐานในทางชั่วมันสอนให้ใจถึงในทางชั่วเพราะมันเก่งชนี้จากมันสิ่งไหนที่ชั่วมันก็ออกมาอวดโลกออกว่าเป็นผู้ใจถึงพระพุทธศาสนาออกมาอวดกับกิเลสเจ้าของชนะก็ชนะ ก, ชนะกิเลสเจ้าของ แพ้ก็แพ้เกเรตเจ้าของชนะอื่นไม่ได้เดินท้มเถไม่เอามาผนเปพูดในทางพุทธศาสนาชนะก็ชนะเกเรตของตัวแพ้ก็แพ้เกเลตของตัวบันเทาก็บันเทากิเรตของตัวไม่บันเทาก็ไม่บันเทาเกเรตของตัวพระพุทธศาสนาสอนอย่างนั้นการแพ้การชนะในทางอื่นพระพุทธศาสนาไม่ส่งเสริมและไม่เป็นของจริงด้วย จงชนะความเกียดติค่าของเราด้วยความหมั่นของเราจงชนะความเข้าใจผิดของเราในตอนนั้นๆด้วยความเข้าใจตามเป็นจริงของเราในตอนนั้นนั้นจงชนะความไม่เลื่อมใสในตัวของเราด้วยความเลื่อมใสในตัวของเราจงชนะความเบียดเบียนเราด้วยความไม่เบียดเบียนตัวเรเอง ตรงชนะความเบียดเบียนตนเองด้วยความไม่เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนตนเองก็คือทำชั่วไม่เบียดเบียนตนเองก็คือพยายามทำดีนั่นกำเนียใครก่อนหนังสือโลกทิพย์กำในียใครก่อก็คือแต่ละท่านละคนนั่นเองก่อขึ้นทำขึ้นเมื่อทำขึ้นแล้วไม่ประสงค์ก็ได้รับ ในทางดีก็เหมือนกันทางชั่วก็เหมือนกันติดตามไปติดตามใจไปติดตามนิสัยไปนิสัยปัจจย์แบ่งออกเป็นสองนิสัยไปทางดีมันก็ดีนิสัยไปทางชั่วมันก็ชัว่วธรรมชาติก็แบ่งออกเป็นสองธรรมชาติที่ทําดี ธรรมชาติที่ทาชั่วธรรมดาก็แบ่งออกเป็นสองธรรมดาที่ทําดีจะทาชั่วเป็นมาเป็นความกลางมันเป็นธรรมกลางดาที่ทําดีธรรมดานี่ทาชั่วทํำด้วยความจําเป็นก็แบ่งออกเป็นสอง ด้วยความจำเป็นที่จะทำดีด้วยความจำเป็นที่จะทำชั่วอ่างมันเป็นคำกลางเราจำเป็นจะได้พยายามทำดีผู้ที่เขาชอบชั่วเขาก็บอกว่าจำเป็นจะได้ทำชั่วใครทำอะไรอะไรก็อ้างเอาความจำเป็นมาเหมือนกันแต่ความจำเป็นนั่นสิ่งที่เป็นควรทำก็มีจำเป็นในทางที่ชั่วเราพยายามละจำเป็นในทางที่ดีเราพยายามทำ เพราะความตายมันไม่บอกเราใช่แล้วเราจำเป็นจะได้สร้างความดีประจำวันไปเร า, เราจำเป็นจะได้พยายามละความชื่อประจำวันไปประจำคืนไปเราทำดีอยู่ทุกวันทุกวันมีฐานวัิรศรีรวัดภาวนาวัดอันไหนอันหนึ่งทีนี้ความดีของเราไม่ใช่จะอยู่ในระดับเดิมมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเราทำาชื่อ ว, วันละเล็กวันละน้อยความชื่อของเราก็ไม่อยู่ในระดับเดิม มันก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะสูงขึ้นไปในทางชั่วนรืจะว่าต่ําลงก็ถูกพระพุทธธรรมระสงค์ไม่ได้หนักเอาไอ้ที่ดวงใจก็ไม่เห็นหนักอไม่เหมือนแบกพืนแบกพืนนี่แบกรุ่นโตๆมันก็หนักเอาพระพุทธธรรมปสงค์ไอ้ที่ดวงใจมาเห็นหนักสบายไปที่ไหนก็เป็นเครื่องอบอุ่นออื พิายณานึกถึงผีดูสิมันจะหายกลัวไหมเมื่อมันกลัวมาก็นึกถึงผีผีผี ผ, ผีผีอย่างนี้มันก็ยิ่งกลัวใหญ่ละเมื่อนเวลาเรากลัวมาก่อนแล้วึกถึงพุทธโธมันก็หายไปเห็นคุณแล้วนะ่หายความกลัวไปแล้วนะสมมติถ้าพุทธโธอยู่ที่บนหัวเนี่ยสมมติผีง่อยอยู่ที่บนหัวก็ยิ่งกลัวยิ่งเพิ่มใหญ่ละเอา้านั่น เกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อสร้างความดีนี้ความชัว่วเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อสร้างบารมีหนีจากมนุษย์จากเลือดจำแหน่งไปสวรรค์และภพ ม, มโลคและพระอาหารหันต์ต่อไปอเพราะในมนุษย์โลกนี่ท่องเที่ยวมานานแล้วสักโลกก็ท่องเที่ยวมานานแล้วเออ ในไตโรกธาตไม่ใช่เป็นของใหม่เป็นของเก่าพวกเราที่เคยต้องเที่ยวมา น, นานนั่นเองนะนะโมเมสพัพพุทธานังขอไหว้พระพุทธธรรมพระสงฆ์ทุกๆพระองค์เลยนะโมเมสพัพพธรรมมานังข อ, อากราบไหว้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ซึ่งเป็นคําสอนอันเดียวกันณโมเมสัพสังคานางขอน้อมน้อมกราบไหวพระอริยสงฆ์ของพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์อันเดียวกันม <te> <Superior. inom S 2> ีการิตประเพณีอันเดียวกันมีความหมายอันเดียวกันนะเดี๋ยวกราบไพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลยเราเลื่อมใสในศาสนาของพระโคดมก็เท่ากับว่าเลื่อมใสในศาสนาของพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั่นเองเพราะมีความหมายอันเดียวกัน เพราะเป็นทำอันเดียวกันไม่มีแปลกเลยทำชั้นสูงยังมีอยู่เมื่อมีททำชั้นต่ำแล้วมันหากจะปีนป่ายขึ้นไปหาทำชั้นสูงสินห้าไม่ใช่เป็นของเล่นเล่นเนอะท่านผู้ใดมีสินห้าบริบูรณ์ก็เท่ากับว่าได้ทรับ ภายนอกเต็มใจโลกธาตเพราะมันดึงมาเองมันบรรดาลมาให้อดอยากดอกอย่าเสียดายล่วงละเมิดเส้นห้าถ้าผู้ใดเสียดายล่วงละเมิดเส้นห้าก็เท่ากับว่าเสียดายทำทุกมาใส่ตัวเสียดายก่อเวรก่อภัยมาใส่ตัวถ้าท่านผู้ใด เสียดายอยากจะเล่นอบายยมุกเพราะถ้ากลับว่าเสียดายอยากจะเอาเงินทิ้งใส่ไฟเพราะเกงมันจะเสียข้อวัดทิ้งใส่เดือนนั่นบ้างเดือนนี้บ้างก็หมดไปท่านผู้ใดสงสัยว่าอบายยมุกทุกประเภทมันจะเป็นเหตุให้เจริญก้าวหน้าก็เรียกว่ายังไม่ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างเต็มภูมิ ของอุบาสกอุบาสิกาเนอพระเพ็กโซสัมมเนนก็เหมือนกันผู้ใดยินดีในอบายามุกผู้นั้นก็สู้เขารักษาศียห้าไม่ได้เขารักษาศีนห้าอยู่ในบ้านยังดีกว่าภาวนาเท่าใด ก็ไม่เป็นยาเพราะมันเป็นเกีียวไปแล้วมันผิดเป้าแล้วผิดเป้าหมายของพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเราพยายามทำดีปัญหามันก็ไม่มีมากเน้อถ้าเรายากแกะแสงทำชั่วยอยู่ปัญหามันก็มีมากถ้าเราเรื่อมใสพระพุทธศ า, าสนา โดยจริงจังแล้วปัญหามันก็ไม่มากนะพูดไปมากก็เป็นโวหารเฉยๆเนี่ยก็ได้หารลงมาหาร พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองนั่งก็ได้หารลงมาสู่ความดีนั่นเองจะพูดอยู่กี่หมื่นปีก็ตามก็ได้หารลงมาหาร พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หารลงมาละชั่วยทำดีนั่นเองนั่นสิ่งไหนที่มันดีเราก็มาในรอบทำทำอย่างพึงภายก็ได้นง ไม่ได้รอบทำไม่ได้แอบทำถ้าเพื่อใดหวังพ้นทุกข์ในวัฏฏะสองสารไม่อยากมาเกิดแก่เจ็บตายเองให้ภาวนาลมหายใจเข้าออกพร้อมกับกองทุกพร้อมทั้งอนิจจังพร้อมทั้งทุกขังพร้อมอนัตตาให้เห็นชัดด้วยเห็นทั้งต้นลมด้วยกลางลมด้วยท้ายลมด้วยเห็นทั้งขณะคิทเทนุคิดด้วย เห็นทั้งลูกขันนาขันด้วยเห็นอันจังในใจโลกธาตุเสมอหน้ากรองเลยทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเห็นทุกเสมอหน้ากรองเอกด้วยเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเสมอภาคอันเดียวกันหมดผู้นั้นจะไม่เอื้อัอในโลกทั้งปวงผู้นั้นจะยินดีดิ่งในพระนิพพานเลยเรเห็นแต่กรองทุกในใจโลกธาตุ เราจะมาแต่งกองทุกข์ให้มันเป็นสุขมันไม่เป็นดอกในมนุษย์โลกหรือเทวโลกหรือพร ม, มโลกผู้ที่เห็นอย่างนั้นก็แปลว่าสร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วผู้ที่ยังไม่เห็นอย่างนั้นก็หลอกให้ติดไปในมนุษย์สมบัติบ้างสวรรค์สมบัติบ้างพอได้หายนหายใจเมื่อเห็นโทษในมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติว่าเป็นของไมาเที่ยงเราก็เห็นโทษในพรมสมบัติว่าเป็นของไมาเที่ยงจึงจะยินดีในพระนยพานโดยทายเดียว เมื่อเ ย, ยนเดในพระนิพพานโดยถ่ายเดียวแล้วงานของท่านเหล่านั้นก็น้อยไปจิตใจก็ดิ่งถึงสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับขี้เกียจมาเป็นขี้ข่าความเกิดดับในวตาสงสารพระเคยเป็นข้าเป็นทาสมาแล้วเหตุฉะนั้นจึงยอมเป็นข้าเป็นทาสพระพุทธธรรมพระสงค์พุทธัสสาหัต ส, สมิทาสีวะ ขอเป็นข้าเป็นทาาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ผู้ชายสมิธสมิธาโสวะจึงยอมเป็นข้าเป็นทาาจึงยอมจะไปตามท่านเพื่อเข้าสู่พระเนพานพุทธธรสงฆ์แท้ก็ไปรวมกันอยู่ที่พระเนพานไม่ได้รวมกันอยู่ในโลกรวมกันอยู่ในโลกก็สุปฏิพโนุชุยยะเท่านั้นสามีกข้ามไปแลว้วนั่น พวกสุปฏิปันโนอุจุยยะสามีพวกอุุสุปฏิปันโนอุุยยะสามสามีกำลังเดินทางกำลังเดินทางจาข้ามความหลงของตนสามีกินั่นข้ามไปแล้วข้ามความหลงทะเลหลงไปแล้วด้วยพระปัญญาพระสติของตนเอง S <S เมื่อชิ้นความสงสัยในโลกทางปวงก็เรียกว่าข้ามความสงสัยในโลกทง้งปวงเมื่อยังสงสัยอยู่ในโลกทางปวงก็เรียกว่ายังไม่ข้ามความสงสัยในโลกทง้งปวงยังสร้างปัญหาอยู่นั่นปัญหาทางหลายกว่าพันเราอยู่ ยอมตายไม่เสียดายแก่ชีวาเพื่อรักษาอิสระขณะไทยสมานสามักทีให้ดีอยู่จะสู้ศึกศัตรูทั้งหลายได้ควรคิดจำนงจงใจเป็นชาวไทยพุทธจนช่วยชิ้นสิ้นดินฟ้า เป็นมนุษย์สุดจะเปรียกเรียให้พ้นความทุกข์ยากยาได้มาเกิดแก่เก็บตายในวัฏฏะท้องศารนี่อีกเลยความเกิดแก่เก็บตายในวัฏฏะท้องสารไม่ใช่เป็นงานใหม่เป็นของเก่าที่พวกเราเคยท่องเที่ยวมานั่นเองไม่ใช่เป็นของใหม่พอที่เราจะนอนใจพอที่เราจะหลงว่าอย่างนั้นอย่าง น, างนี้พวกเราหาความสุขในโลก ไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่เห็นแท้แล้เห็นแต่ความแก่ความเก็บความตายความไม่สมประสงค์เมื่อเป็นดังนี้พวกเราจะนอนใจอยู่แต่เพียงความเห็นเพียงแค่นี้ความเห็นอันนี้จะเป็นที่พึ่งของเราได้หรือไม่จะเป็นเครื่องอบอุ่นของเราได้หรือไม่ก็คงเป็นเครื่องอบอุ่นของเราไม่ได้ เมื่อเป็นเครื่อง อ, อักอุ่นของเราไม่ได้ก็เป็นเหตุให้เราไม่นอนใจในวตารสองสารอีกด้วยเรานอนใจในวตารสองสารก็คือนอนใจในลุมฐานเพลิงนั่นเองนั่นธรรมะชั้นสูงเนี่ยเราจะว่าเรียกไหนหนอเรียกไหนหนออยู่อย่านะันก็นาบเกินไปเรียกแก่เรียกเก็บเรียกตายนั่ น, นเรียกไม่ได้ผสมสมประสงค์นั่น พอได้มาบ้างแล้วก็ยิ้มทีนี้เสียไปแล้วก็ร้องไห้ทนีนี้นั่นยิ้มใส่ลุ้มทานเพลิงยิ้มใส่ลุ้มชีพหายแล้วก็ถูกเลขอยู่ทุกวันนี่เลขแก่เลขเก็บเลขตายเลขทำดีได้ดีทำชั่วอะไรชั่วนั่นเลขหิวเลขอยากเลขกินเลขถ่ายมันถูกอยู่ทุกวันนี่ ที่กระฉาพีภาษาเหี้ยวเข้าละหายนา้าก็เป็นทุกข์พระบรมศาสอุจโรปัสโวโหติปวดอุจระปวดปวดปัสโวะก็ถือว่าเป็นทุกข์แต่พวกเราถือว่าเป็นธรรมดาแต่มันก็เป็นธรรมดาทุกข์เรามีความแก่เป็นธรรมดาทุกข์เรามีความเก็บเป็นธรรมดาทุกข์เรามีความตายเป็นธรรมดาทุกข์เราจะต้องวิโยกพัดผ้าจากของรักของรับ ชอบใจเป็นเทวดาเป็นธรรมดาทุกเรามีกรรมเป็นของของตัวเราทำดีจากได้ดีเราทำชั่วจากได้ชั่วดีในทาง พ, ทพระพุทธศาสนาก็คือดีในพระเนพทานเป็นที่สุดของความดีทางไยต่ำกว่านั้นลงมาก็ดีในพระสวดาบันดีในสักกาคามีดีในอนาคามีในดีในพระอรหันต์จึงเอาเป็นประมาณได้ดีในทางโลกีพระบรมศาสนามิรับรอง เพราะมันมีหลายบางทีมันยังไม่เห็นฝั่งที่จะข้ามยังเป็นมดไตขอบโ้กงอยู่ไม่เดินผ่าทนกลางออกขอบกระด้งคืออะไรคือขอบทุกนันเองวัตตะวนนั่นเองสองสังสารและทุกนันเองสังสารและทุกกับสังสารสงสารทุกมีความหมายอันเดียวกัน ถ้ามันเป็นสุขพอแล้วมันก็ไม่เป็นเหตุให้พิจารณาก็นอนใจได้ในวัตฏะสงสารไม่ไม่มันไม่เป็นเป็นสุขเป็นเครื่ององปุ่นใจนั่นเองจึงเป็นเหตุให้พิจารณาถ้าหากว่ามันเป็นสุขพอแล้วก็ไม่เป็นเหตุให้พิจารณาเพราะมันพอใจแล้วนี่มันไม่สมประสงค์นั่นเองจึงเป็นเหตุให้ชวนพิจารณาอยู่นั่นถ้ามันสมประสงค์แล้วใครจะพิจารณาทําไม ถามดูดูใครสมประสง์แล้วเนี่ยไม่มีใครนะสมประสง์แล้วหรือไม่ยกมือขึ้นไม่มีนั่นส่วนท่านทุกพ่นไปแล้วท่านก็ยกมือได้เพาะท่านสมประสง์แล้วท่านพ้นจากเกลีดไปแล้วถามดูดูในประเทศหรือในโลกเนี่ยใครสมประสงบางแล้วนั่นไม่สมประสงไม่มีใครสมประสง เพราะกิเลสยังเต็มหัวอยู่นะยังตัดอยู่โรคโกรธหลงยังเต็มหัว อ, อกหัวใจอยู่จะผสมผสมที่ไหนนั่นก็มีพระอรหันต์จำพวกเดียวสมผสมแล้วเธอทางหลายอย่านอนใจ เมื่อเธอทั้งหลายนอนใจจะเสียใจในภายหลังเน้อพระบรมศาสดาเมื่อเวลาเธอทั้งหลายลงสู่นรกกว่าจะได้ปีนขึ้นมาเป็นมนุษย์อีกก็มากมายหลายล้านปีเน้อพระบรมศาสดาเมื่อเธอทั้งหลายไปเป็นสัตว์ที่ฉานกว่าจะปีนขึ้นมาเป็นมนุษย์อีกก็หลายล้านปีในมนุษย์เน้อพระบรมศาสดา ถ้าถูกตายไปเป็นหมูทีนี้ก็ถูกเขาฆ่าอยู่ห้าร้อยชาติถ้าถูกตายไปเป็นไก่ก็ถูกเขาเชือดคออีกเหมือนกันถ้าเป็นโคเป็นกระบือเวลาเราตายไปก็ถูกเขาไถนาสารพัดไถนาพอตัวพร้อมๆแล้วเขาเอาไปขายให้คนฆ่าทีนี้อย่าเอาไว้นานนะมันพร้อม มันผอมมันจะขายไม่ได้ราคาเดี๋ยวเขาขายให้คนข่ายอีกนั่นสัต์โลกโลกคือหมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ชะกามาวาจระหกชั้น พรหมโลกได้แก่รูปประพรมสิหกชั้นกับอรูปประพรมสี่ชั้นโลกทางหลายเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายเหมือนกันหมดไม่เป็นที่พึ่งอั น, กนเกษมได้นั่นเหตุฉะนั้นจึงพิจารณาเพื่อให้เบื่อเพื่อให้หนายเพื่อให้คลายเพื่อให้หลุดเพื่อให้พ้นความสงสัยของตนจะไม่ได้มาสงสัยอีกถึงไหนที่เร า, มาไม่ ต้องการมาเราก็ไม่ได้มาแต่เราไม่ต้องการมาในภูนี้ก็ยังไม่ได้มา น, นัเราไม่ต้องการมาเกิดมันก็ไม่ได้มาเกิดอีกดอกเพราะเราเบื่อแล้วเบื่อด้วยเบื่อด้วยด้วยปัญญาอันชัดแบบเย็นๆไม่ใช่เบื่อแบบผูคอตายเบื่อด้วยปัญญาอันรอบครอบสมัตาจักขุจักขุรอบครอบปัญญาจักขุเพราจักขุคือปัญญา ปัญญารู้เท่าทันความหลงตอนไหนความหลงต อ, ตอนนั้นไม่ขบ ộ คืนปัญญาถูกแพ้ความหลงตอนตอนไหนตอนนั้นปัญญาก็ขบ ộ คืนความโง่ก็ขบ ộ คืนเมื่อจิตใจเห็นดิ่งว่าในใตจโลกธาตุเต็มเปด้วยกองทุกข์ววความจะสงสัยว่าในใตจโลกธาตุจะเป็นสุขมันก็จะมาจากประตูไหนทีนี้ เป็นหลุมอุจจาระเราเปิดเวลาไหนมันก็เห็นเวลานั้นฉัในใดก็ดีผู้เห็นโลกชัดเมื่อพูดถึงโลกเวลาไหนก็เห็นแต่กองทุกในเวลานั้นเองนั่นพิจารณาทุกข์เป็นอารมณ์ก็คือศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่นั้นพร้อมกับลมหายใจเข้าออกนั่นหลักของมันหลักของผู้จิตสูงใจสูงพิจารณาอนัตตาเป็นอารมณ์ ว่าเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นอันนั้นผู้นั้นถ้าชินลมพาณในขณะนั้นผู้นั้นก็เข้าสู่พระนิพพานถ้ายังไม่เข้าสู่พระนิพพานก็ไปเกิดในอารมุปนม์เพราะพิจารณาอารมปเป็นอารมณ์และมีอายุยืนด้วยร้อยโกรธกับร้อยโกรธกับจะมีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์เทียบในปีในเมืองมนุษย์นับไม่ไหวใช่แล้ว มาทิพย์หรอวพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข้าหาประมาณไม่ได้ขอให้พี่น้องชาวพุทธทุกทวนหน้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบบพระพุทธศาสนาของพระธรรมจัมพุธเจ้า ย, ยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วนตามความผหมาะมของตนทุกทว น, นาอยู่โดยทุกเมื่อเทิน เราก็ลืมลืมไปวันนี้สามครั้งแล้วสามครั้งแล้วมือจะเที่ยวมาสาล่าลังนี่สามกับเที่ยนนี่แหละพูดได้มากเพราะวะ่ารักปูท่านรักษาตัวได้เด้อพะวะ่าไม่ต้องผู้รับปอะพศมาผู้รับประทศมากที่รักษาตัวจังใด อสูรเขาคนหลายเด้่ยหลวงปู่เพระว่าบ่าวอะไรอย่างนี้พระกันว่าอยู่นี่แม่นมาสันขันโยมมาหาพระจยแกจะไปหาผีตัวไหนเนาะแม่นหมออม็ดแดนแต่จะคุ้นท่าไม่เจดียน่ะเปนหมออ่าพระกรรมฐานนี่มันไม่พอดีว่าอย่างนั้น เมื่อมีผู้มาหามันก็บอกว่ายุ่งถ้าไม่มีผู้มาหามันก็บอกว่าไรญยอดไร้เม็ดกรรมฐานมนม้อยพอดีท่านจะคุณธรรมจีท่านดุแต่ว่าท่านก็รักกูลักพระกรรมฐานเดี๋ยวว่าท่านพูดให้เรามีปัญญาไม่ใช่ท่านดูหมิ่นเราแต่เรามันไม่เชี่ยวพระบรมศาสดารอกพระบรมศาสนาตอนกลางคืนก็ รับเทวบุตรเทวดาแต่พวกเรามันรับเทวนอนใช่ไหมเป็นส่วนมากรับเทวนอนเป็นส่วนมากตอนกลางวันก no ็สอนญาติสอนโยมพิษุสามเณนเขาเข้ามาหาพระบรมศาสดาเขาเข้ามาเคารพก็มีเขาเข้ามาอวดดีก็มีเขาเข้ามาจะเอาแพ้เอาชนะก็มี แต่พวกเราไม่เท่าเสี่ยวของพวกเราประชาธิาดอกไปเอาละมันเรว่องนุบตอกันอีกละ <laughs> เราไม่ตาเขาเขาก็จะไม่เตาเราวเราเบียดเบียนเขาเขาก็จะเบียดเบียนเราเรารังเกียจเขาเขาก็จะรังเกียจเราก็ทำให้ตนท้า น, นละแต่เราไม่ได้ทำผิดอะไร ทำไมเขาจึงมาทำให้เราอย่างนั้นอย่างนี้มีปัญหาสอดเข้ามาว่าเหมือนกันก็แต่พบก่อนชาติก่อนเราสร้างอะไรไว้บ้างมันตามมาถึงคนะดีดำคดีแดงในโรงในศาลมันจบกกเกษียณได้ส่วนกรรมและผลของกรรมมันจบกกเกษียณไม่ได้มันตามไม่ทันพบหนึ่งมันก็ตามอยู่ทุกเวลาจนจากพระเข้าสู่พระนิพพานนั่นเขาก็จะาศาสนาสอนอย่างนั้น การที่แพ้เอาแพ้เอาชนะกันในทางที่ไม่ชอบในวัาสงสารมันไม่สําคัญผลของกรรมมันจะตามมาอีกอยู่สารยุติธรรมนอกไม่ชาติหนึ่งก็ชาติหนึง่งเหมือนหมาไรเนื้อทันที่ไหนก็ต้องกัดแต่ไม่หลงเลยหมาไรเนื้อมันยังหลงอยู่ผลของกรรมยังไม่หลงเน้อทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วลาปร ะ, ปะกังวาตาราลายยาโรคอยสซนต์ที่ทำดีก็จะได้รับผลดีทําชั่วก็จะได้รับผลชั่วไม่ต้องสงสัยเลยนะ ศาสนาใดๆก็ตามมีกรรมและผลของกรรมไม่ ไ, มได้อยู่ในเหนืออยู่เนกรมกรมเป็ผลของกรรมเลยทำกรรมอันดีไว้ก็จะได้รับผลของกรรมอันดีตามเหตุผลที่ทำน้อยและทำมากถ้าทำชั่วไว้ก็จะได้รับเหตุผลตามที่ทำน้อยและทำมาก <Evet. S 1> ข้อนี้เป็นข้อขาสาคัญมากจะมีรัฐที่ใดๆก็ตามจะบันทิดจะมีบัญญัติว่าสิ่งไหนเป็นบุญและก็บัญญัติว่าเป็นบาป สิ่งไหนเป็นบาปแล้ก็บัญญัติว่าเป็นบุญก็ตามทีเถิดจะพร้อมกันหมดโลกหมดสงสารก็ตามแต่ผลของกรรมต้องตัดสินเลยนะ่ะไม่ลำเอียงเข้ากับชั้นวันลนะผลของกรรมถ้าไม่มีผลของกรรมเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะคนทําไมจึงเกิดมาไม่เหมือนกันตระกูลต่ําว่าตระกูลสูงว่าผู้มีปัญญาบ้างผู้ไม่มีปัญญาบ้างเพราะเหตุว่า กรรมและผลของกรรมแต่ในพบ ก, ก่อนตามมาผู้มีอายุสั้นก็คือเคยได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาแต่พบ ก, ก่อนผู้เกิดมามีอะไรก็มีไม่ได้เดี๋ยวเขาก็มารักอันนั้นที่อันนี้พ้อนอันนั้นก็เพราะเคยได้รักของเขาแต่ฆ่าก่อนเกิดมามีโรคมีหลานเขาก็ไมย่ยำเกรงเดี๋ยวเอาไปข่มขืนบ้างหลอกลวงไปบ้างก็เพราะแต่ฆ่าก่อนเราได้สร้างไว้อย่างนั้นนักเกิดมาพูดเป็นสิ่งที่เป็นธรรมเขาก็ไม่เชื่อ พูดอะไรเขาก็ไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อเลยเพราะแต่ชาติก่อนเราเป็นคนโกหกพกรมนั่นเกิดมาเป็นคนว่าไหวเสียจิตผิดมนุษย์มันเป็นเพราะอะไรก็เพราะแต่ชาติก่อนเราดื่มสุรามากเศษผลของกรรมก็เลยมาให้เป็นคนว่าไหวเสียจิตผิดมนุษย์นั่นเพราะเราศาสนามีที่อ้างทุกอย่างนั่ผู้เกิดมาในตระกูลสูง ผู้เกิดในตระกูลต่ำเพราะอะไรเพราะใจชาติก่อนตีตนเสมอไม่เคารพรบวหวไม่ยำเกรงท่านผู้ใดเหตุฉะนั้นจึงได้เกิดตระกูลต่ำผู้ที่เกิดมามีพิรุันวันละขาวอผู้นั้นเคยได้ให้ทานสิ่งของอันใดก็ให้ทานจากสิ่งขาวขาวเมื่อเกิดมาจึงเป็นผู้มีพิวพันธ์วันละขาวผู้เกิดมามีพิรุันเชี่ยวเล้วเพราะใจชาติก่อน ก็ชอบโกรธมากนฮะถ้าทำอะไรแล้วไม่สมกับคิดเลยก็เอาโกรธออกหน้าผู้ทีเกิดมาเป็นคนรวยทำไม่สมพอได้ก็ได้เพราะเหตุอะไรเพราะแต่ก่อนรักในการให้ทานผู้เกิดมามีกำลังวางชาในกำลังกายแข็งแรงมากเพราะแต่ก่อนนั่น ถ้าจะพูดในเรื่องอาหารก็ชอบสวายอาหารมากกว่าเพื่อนเหตนฉะนั้นนางวิสาขาจึงสามารถจับช่างอยู่ข่าเก็ดเก็ดเชือกจับได้มือเดียวเลยอยู่เลยอันนี้สงทานอันนี้สงศีนอันนี้สงภาวะ ติดตามไปตลอดชาติเข้าสู่พระเนพานนั่นตรงกันข้ามก็ติดต่อไปจนถึงชาติเข้าสู่พระเนพานเหมือนกันเลยพระรหันต์องค์หนึ่งเป็นพระรหันตแล้วไปบินทบาทให้ออกก่อนเขาก็ไม่ใส่ให้ให้ตามกลางเขาก็ไม่ใส่ให้ให้ชุดท้ายเขาไม่ใส่ให้พระสาลีบุตรจะไปจับขอบบาทให้ รับขอบบาตเนี่ยเขาจึงใส่ให้ฉะนันนจงเป็นอย่างนั้นทีนี้เราเข้าไปเสียงหลวงปู่มหาบัวเระถูกลุหลวงปู่มหาบัวซะข้าวที่อยู่บ้านไม้ทายท่านอาจารย์มหาท่านอาจารย์มหาก็ผมไม่เชื่อว่าพระอรหันต์ไปเบนทบาทไม่มีผู้ใส่ให้บุคคลถ้ามามีทานวัต ไม่มีศีรวัตรไม่มีภาวนาวัดเต็มภูมิแล้วฉะนั้นจะไม่ได้เป็นพระรหันต์เราพูดอย่างนี้ก็ต้องมีทานาวัดศีรวัตรภาวนาวัดสิจึงจะได้เป็นพระรหันต์แต่ผมก็ไม่เชื่อต้องทานบารมีบุญศีลบารมีบภาวนาบารมีบจึงจะสำเร็จพระรหันต์ทําไมพระองค์ที่ภาษาเรียบุตรไปจับข้อบาตให้เขาจึงใส่บาตให้มันทำไมเป็นอย่างนั้นเออพูดท่านพูดมันก็จริงอยู่แต่ว่ามันไม่จริงก็ให้ทานอยู่ แต่ว่าแต่ชาก่อนนั่นไปเป็นท่าบาทได้วพระองค์เจ้าก่อนๆได้อะไรมาไม่ค่อยแก่กให้หมูให้เพื่อนกินแต่เราคนเดียวสบายดีท่านพูดอย่างนั้นแต่ว่าให้ทานอยู่แต่มันไม่เหมือนท่านไม่เหมือนหมู่ถ้าว่าสอบเข้มสอบโรงเรียนได้ก็ได้ชั้นชั้นตะวาเขาอะไรอย่างนั้น <_ d iam> นั่นแหละพระรหัสน์ชั้นตะวันทานพูดอย่างนั้นเราก็จึงเชื่อท่านใช่ไหมให้อยู่แต่มันไม่เท่าเขา เนี่ยฉะนั้นจึงอดจึงอยากส่วนพระศีวลีมีเล่ามากไปทางไหนคนก็ให้คนก็ให้เพราะคําว่าทานเนี่ยพระศิวะลยต้องทานเหนือ้อเหนือเหนือ้อเหนือ้อตนไช้ตนสอยให้ทานเสมอที่ตนไช้ตนสอยเรียกว่าทานะปาลเมสัมปนูให้ตํากว่า